เกมก ร, รมบที่สิคะแนนใหม่ความเปลี่ยนแปลงทางกายใจคือนิมิตหมายบอกทางถูกทางผิดในเกมกำรรหัวข้อความหมายของคะแนนใหม่คะแนนใหม่หมายถึงกรรมในปัจจุบันซึ่งตั้งมั่นแล้วคุณกระทําเป็นประจำแล้ว กล่าวคือถือประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆหัวข้อนี้มุ่งเอาคะแนนใหม่ไปใช้คำนวณกับฐานคะแนนเดิมในบทที่สามเพื่อให้เกิดการรู้คร่าวๆ ว, ว่าคุณเล่นเกมกรรมมาถึงไหนมีความสุขและความพร้อมจะพัฒนาตนไปสู่การมีชีวิตที่คิดไม่ถึงมากน้อยเพียงใดเมื่อเห็นชีวิตเป็นคะแนนก็ไม่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดเปลียย่อยเป็นเรื่องๆ ไม่ต้องมามัวคิดยุ่มยิ้มว่าได้สิ่งที่ต้องการหรือยังหรือกำจัดสิ่งที่น่าชิงชังไปได้แค่ไหนแล้วเพราะถ้าทําคะแนนไว้มากพอจะช่วยให้ชีวิตน่าพอใจใจก็ควรจะพอไปทุกเรื่องความเข้าใจเรื่องคะแนนใหม่เป็นอย่างดีนั้นจะทําให้คุณถอยไปก้าวหนึ่งและมองเห็นเกมกรรมชัดเจนกว่าเดิมนั่นคือคุณและคนส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้กระแสสัตพาของพลังกรรมเก่า โดยไม่ค่อยจะลงมือทำบุญให้อะไรอะไรดีขึ้นได้แต่ดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือถ้าจะคิดปรับปรุงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นก็มักนึกถึงผีสางเทวดากับเพศลับต่างๆนาน า, นาซึ่งอาจเกิดผลบวกหลอกๆให้ดีใจเล่นเดียวเดียวแต่ในระยะยาวไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงเลยทั้งนี้ก็เพราะชะตาชีวิตของคนถูกคุมอยู่ด้วยกรรมไม่ใช่ผีสางเทวดา หรือเคล็ดลางใดๆหากอย่างรู้อย่างแท้จริงคุณก็จะทราบว่าแม้ผีสางเทวดาก็ตกอยู่ใต้อำนาจกรรมเคล็ดลางใดๆจะเกิดผลกับใครก็ขึ้นอยู่กับกรรมของคนคนนั้นนาไปท้ายที่สุดแล้วกรรมนั่นเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะเปิดโอกาสให้ใครได้รับการผ่อนปรนใครจะได้ไปพบผู้ช่วยเหลือเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเทวดาเบื้องบน และเช่นกันการคำนวณคะแน น, นให้เห็นชัดในบทนี้คงทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุใดทําดีจึงเหมือนไม่ได้ดีอันที่จริงคือได้แต่อาจช้าไปหน่อยโดยเฉพาะในกรณีที่คุณยังมีคะแนนติดลบอยู่มากๆการกล่าวว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนั้นจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นร้ายแรงที่ถูกต้องบอกว่าทําดียังไม่ได้ดีเพราะเคยทําชั่ว ทำชั่วยังไม่ได้ชั่วเพราะเคยดีต่างหากการยากแสดงคะแนนในบทนี้จะช่วยให้เห็นกฎของเกมกรรมได้อย่างดีว่าบุญกับบาปต่างจะแยกกันให้ผลไม่ใช่หักลบกันแล้วไม่เกิดผลจุดใหญ่ใจความคือเมื่อเกิดผลดีร้ายพร้อมกันความรู้สึกของคุณจะไม่ดีเสื้อทีเดียวและไม่แย่ไปซะทั้งหมดนอกจากนั้น เมื่อคุณเห็นวิธีคำนวณคะแน น, นใหม่บนฐานของคะแนนเก่าแล้วก็จะรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาประการหนึ่งนั่นคือถ้าไม่ทำบุญเพิ่มคุณก็เกือบเกือบจะทำบาปแล้วเนื่องจากการใช้ชีวิตแบบได้คะแนนจากเกมกรรมเป็นศูนนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งตราดายังอยู่ในเกมตราดนั้นต้องมีคะแนนบวกกับคะแนนลบเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะในเกมกรรมแบบมนุษย์ที่มีแรงบีบขั้นมากมายตลอดเวลานี้ และถ้าคุณพบว่าคะแนนใหม่กับคะแนนเก่ามีความสัมพันธ์กันดังที่จะแสดงในบทนี้จริงคุณก็จะเห็นด้วยว่าการมีชีวิตใหม่ไม่ได้หมายถึงปรับแก้เพียงจุดบอดเล็กๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเช่นถ้าอยากได้คนรักดีๆคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหลายๆแง่หลายๆมุมอย่างน้อยให้มีความคู่ควรกับคนดีๆที่คุณฝ่หาซะก่อนไม่ใช่แค่แต่งตัวให้ดูดีมีสเสน่ห์ ไม่ใช่แค่ฝึกพูดเพราะเพราะไว้เอาใจคนไม่ใช่แม้กระทั e forever, ่งแค่ตั้งจิตคิดสัตซ์ซื like ่อสาบานว่าจะมีรักเดียวใจเดียวคุณต้องมีคะแนนรวมจากกรรมหลายๆแบบมากพอจะดึงดูดเจ้าชายหรือเจ้าหญิงในฝันเข้ามาหาด้วยเมื่อส่องสำรวจตรวจตาคะแนนใหม่ของตนเองในหลายแง่หลายมุมคุณจะตระหนักว่าการเพิ่มคะแนนไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าว่าก็ใช่จะยากเกินเอื้อมมนุษย์โลกเป็นสนามทำคะแนนเปิดโอกาสให้ทุกคนทําคะแนนเพิ่มได้เสมอเมื่อลงสนามแข่งจริงเกมกรรมอาจส่งแรงบีบคั้นไม่ให้พัฒนาตัวเองได้ง่ายนักแม้ใครเริ่มเชื่อบ้างแล้วว่าตัวเองกําลังเล่นเกมกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ก็จะมีข้ออ้างกันทํานองว่ายัางทําดีไม่ได้ในตอนนี้จําใจต้องขอทําชั่วไปก่อน ถ้าคิดอย่างนี้ก็นั่นแหละขอให้เร่งรู้ไว้เลยว่าเกมกรรมกำลังส่งปัจจัยบีบคั้นมาลองใจซึ่งมนุษย์ด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเห็นใจแต่อย่าหวังการอภัยจากเกมกรรมเกมกรรมจะตัดสินว่าคุณยังไม่ใจเด็ดพอยังไม่สมควรได้มีชีวิตใหม่ที่คิดไม่ถึงเท่านั้นเองกรร ม, มีอยู่หลากหลาย คงไม่มีใครเอากรรมทุกชนิดมาตีความเป็นคะแนนได้ทั้งหมดแต่แค่กรรมหลักๆที่มีอิทธิพลใหญ่ต่อชีวิตจริงๆเพียงที่เห็นในบทนี้ก็คงเพียงพอแก่การเชื่อได้ว่าบุญบาปมีผลและสามารถวัดคะแนนได้ก่อนตายถ้าสั่งสมต่อเนื่องนานพอหัวข้อคะแนนการใช้หนี้ นี่บุญคุณกับนี่บาปเวรจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพราะต่างก็เป็นนี่ซึ่งถ้าไม่ชดใช้ก็จะโดนเกมกรรมตามทวงเรื่อยไปนี่บุญคุณพ่อแม่ลบหําสำหรับการขัดขวางพ่อแม่ไม่ให้ได้เห็นถูกเห็นชอบเช่นโนมนาวให้เปลี่ยนศาสนาเลิกศรัทธาพระพุทธเจ้าเลิกศรัทธากรรมวิบาก เลิกทาทานรักษาศีลลบ 3, สามสหรับการทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทางกายเช่นทิ้งพ่อแม่โดยไม่สนใจว่าจะอดตายอยู่ที่ไหนทุบตีพ่อแม่ใช้พ่อแม่ทํางานหาเงินให้ตนแม้แก่ชราแล้วลบ 2. สําหรับการทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทางใจอย่างเดียวเช่นพูดให้เจ็บช้าน้ําใจหรือกโกรธกันแล้วตัดการติดต่อปฏิเสธไม่พบกันอีกแม้ท่านร้องขอ ศูนย์คะแนนสำหรับการไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนมาตั้งแต่เกิดบวกสองสำหรับการทำให้พ่อแม่เป็นสุขทางใจอย่างเดียวได้บวกสามสำหรับการทำให้พ่อแม่เป็นสุขทางใจและเลี้ยงดูกายท่านให้อยู่สบายได้บวกห้าสำหรับการเปลี่ยนท่านจากความเห็นผิดให้เป็นเห็นชอบศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธากรมวิบาก มีความตั้งมั่นในทานและศีลได้ถูกทางนี่บาปเวรลบาสำหรับการเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาเป็นกิจวัตรโน้มน้าวให้ผู้นับถือศาสนาพุทธเลิกนับถือซ่าหรือเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นโดยการโจมตีว่าพุทธเป็นศาสนาที่สอนผิดลบสาสำหรับการฆ่ามนุษย์ด้วยโทสะ ด้วยความผูกพยาบาทอาฆาตลบ 2. สำหรับการหาทางทำร้ายศัตรูให้บาดเจ็บทางกายหรืออย่างน้อยพูดทิมต่ำกันให้เจ็บใจอย่างรุนแรงลบหนึ่งสำหรับการผูกใจเจ็บกับทุกคนที่ทำให้ไม่พอใจหรือการพูดทิมแทงกันให้ขุนเคืองไม่พอใจกลับคืนศูนย์คะแนนสำหรับคนที่ไม่เจอใครทำให้รู้สึกเป็นศัตรู หรือทำการละกันให้เจ็บใจเลยบวกหนึ่งสำหรับการให้อภัยทุกคนที่ทำให้คุณไม่พอใจได้โดยไม่คิดผูกเวรด้วยการโต้อตอบแบบศัตรูแม้ยังมีความโกรธอยู่ในใจบวกสองสำหรับการให้อภัยทุกคนที่ทำให้คุณไม่พอใจได้โดยไม่คิดผูกเวรด้วยการโต้อตอบแบบศัตรูกับทั้งไม่มีความโกรธแต่กลับเยอกเย็นด้วยความปรารถนาดีจริงใจกับเขา บวกสสำหรับการให้ความช่วยเหลือคนที่ทำร้ายคุณก่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจบวกหาสำหรับการให้อภัยมีเมตตาและสามารถเปลี่ยนศัตรูเป็นมิ่งมิตรด้วยการทำตัวเป็นเหตุให้เขาเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นชอบศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาก ร, รมวิบากมีความตั้งมั่นในทานและศีลได้ สำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นลบสิทถ้าคุณได้คะแนนเต็มจากการใช้นี่บุญคุณเป็นบวกห้าและได้คะแนนเต็มจากการใช้นี่บาปเวรอีกบวกหจะเกิดปริมาณความสุขในระดับพอดีกับทุกข์แม้ชีวิตจะยังโน้มเอียงเป็นทุกข์สำหรับคุณคุณก็จะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอีกต่อไปเท่าว่าถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตางทำคะแนนลบเพิ่มชีวิตจะยิ่งตกต่ำจมดินเข้าไปใหญ่ประมาณไม่ถูกว่า จะสาหัสการเพียงใดคงพูดได้แค่ว่าชีวิตมนุษย์ครั้งนี้ของคุณเป็นการขึ้นมาเพียงเพื่อจะลงต่ำไปกว่าเดิมอีกสำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นศูนย์ถ้าคุณเพิ่มคะแนนได้ตั้งแต่บวกสองหรือบวกสามขึ้นไปชีวิตก็จะเป็นสุขขึ้นอย่างพอรู้สึกได้บ้างแล้วแต่หากเป็นตรงข้ามคุณได้ตั้งแต่ลบสองหรือลบสมลงไป ชีวิตก็จะเป็นทุกข์กว่าเดิมยิ่งติดลบมากขึ้นเท่าไรคุณจะว้าวุ่นละงุดหงิดง่ายขึ้นทุกทีและถ้าถึงขั้นได้คะแนนบาปเป็นลบห้าคุณจะรู้สึกเหมือนสูญเสียชีวิตเก่ามีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางใจยากจะเยียวยาทีเดียวสำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นบวกสิบถ้าเพิ่มคะแนนได้ตั้งแต่บวกห้าขึ้นไป คุณถึงจะรู้สึกเป็นสุขกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากแสนสุขอยู่ก่อนแต่โดยทั่วไปหากคุณเป็นพวกบวกสิบแนวโน้มคือคุณจะมาเพิ่มคะแนนให้กับตนเองด้วยการใช้นี่บุญคุณและไม่เพิ่มนี่บาปให้ตนเองมากนักอยู่แล้ว